สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสอทรเอฟเอ็มข้าพเจ้าพระมหาภัยบุอ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลาเรามาพบประพุทธคุยกันในช่วงของวันอังคารแล้วก็วันพุธนั้นจะได้นำสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มาให้ฟังแล้วก็อธิบายด้วย เพราะว่านี้คือหน้าที่ของสมณะในการที่จะให้ทำให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งอีกอันหนึ่งก็คือว่าชี้ทางสว่างให้อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามห้ามเสียจากบาปให้ตั้งหยุดในความดีอันนี้คือ6หน้าที่ที่สมณะจะต้องมีต่อกรหัตทีนี้ว่าในส่วนที่เป็นพุทธพจน์คาสอนของพุทธ บางเรื่องบางราวท่านผู้ฟังก็อาจจะได้เคยฟังผ่านมาบ้างแต่ที่แน่ๆครัาพเจ้าค่อนข้างแน่ใจว่าสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่เป็นภาษาเกลต์เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้มีความคุ้นเคยกันในเรื่องของสับแสงภาษาอะไรต่างๆก็เลยใช้เวลาในช่วงนี้เนี่ยเฉพาะวันอังคารแล้วก็วันพุธนำส่วนที่เป็นสองภาษาคือทั้งภาษาไทยด้วยแล้วก็ภาษาเกลตด้วย คือพูดภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ท่านผู้ฟังพอที่จะเข้าใจทําความเข้าใจได้ก็ลองฟังดูเดี๋ยจะได้แง่มุมคําศัพท์คําแสงอะไรบางอย่างที่ดีๆในสัปดาห์นี้ก็เตรียมเรื่องของพระปุญนาห์เอาไวา้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งพระสูตรนี้เป็นพระสูตรสั้นๆที่มาในมัชฌิมานิกายนะครับว่ามัชฌิมานิกายเนี่ยเราต้องทราบนิด น, นึงก่อนว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะแบ่งคำซ้อนออกเป็น ทั้งหมดปีดกนะเป็นเรียกว่าสามปิดกด้วยกันส่วนที่เป็นเกี่ยวกับวินัยก็อยู่ในวินัยปิดกส่วนที่เป็น <hardships> เ <Renee. S 1> รื่องเล่าเป็นบทสนทนาพวกนี้ก็จะอยู่ในส่วนที่เรียกว่าสุดตันตปิดกส่วนที่เป็นสุดตันตปิดกนั้นก็แบ่งออกเป็นหมวดหมวดแต่ละหมวดก็มีหมวดยาวก็เรียกว่าสถีคารณิไกหมวดกลางกับมชิมานิกายส่วนที่จัดเป็นข้อเป็นข้อนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอังคุตระนิกายเหล่านี้ ซึ่งคิดว่าท่านบวงอาจจะเคยได้ยินได้ฟังคำสับแสงเหล่านี้มาบ้างบางทีเขาพูดเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเขาก็บอกว่า อ, อ๋ออันนี้เอามาจากอังคุตลิกายเลขนี่เล่มนี้เราก็สามารถไปตรวจสอบดูได้ซึ่งเรื่องของท่านพระปุญณานี้ก็มาในมันชฌิมานิกายเป็นเรื่องที่ไม่ยาวเกินไปเป็นโอวาทที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับท่านพระปุญนาคก่อนที่ท่านจะเดินทางไปลิกเรนไปปฏิบัติธรรม หรือ เ, เป็นเรื่องราวที่มีความสําคัญเพราวะว่าข้อมูลที่พระพุทธเจ้าให้กับท่านพระปุทธนะเนี่ยสั้นมากยงแค่ประมาณประโยคเดียวแต่ท่านพระพุทณะรับข้อความนี้ไปสั้นๆโดยย่อๆก็สามารถทําความเข้าใจแล้วก็ทําอัศวะให้สิ้นได้บรรลุถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติได้เรื่องราวของท่านพระปุทธนะนี้ะมีข้อดีๆอยู่หลายอย่างข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านฟังได้ฟังพระพสวดนี้ซะก่อนเนี้อว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสอะไรกับท่านพระปุณณะก่อนที่ท่านพระปุณณะจะเดินทางไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่หลีกเล่นแต่ผู้เดียวท่านได้รับโอวาทอะไรจากพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีเรามาฟังเรื่องราวของท่านพระปุณณะตรงนี้กันมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีใน ในพระนครสาวตี on one occasion, the b l e t h e d one was living at สาวตี in Jeta's Grove, Ananta, m i n d i k a s Park. ในครั้งนั้นท่านพระปุณณได้ออกจากที่หลีกเล่นในเวลาเย็นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ที่ส่วนควรข้างหนึ่ง ได้กราบทูนครับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดสั่งสอนข้าพระองค์ตือโอวาทย่อๆพอที่ข้าพระองค์เมื่อได้สะดับฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่นี้พระเจ้าข้า Then, when it was evening, the venerable b u n n a rose from seclusion and went to the blessed one. After paying homage to the blessed one, he sat down at one side and said to him, "Venerable sir, it would be good if the blessed one would give me brief advice, having heard the Dhamma from the blessed one." I will abide alone, withdraw, diligent, ardent, and resolute. ทีนันทรัพผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระปุณณาว่าปุณณนะถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวปุณณนะรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยตาเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักคร่ น่าพอใจมีรูปน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าเธอผู้ใดย่อมเลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใสแกเธอผู้เลิดเพลินพรำบน่นสรรเสริญถึงสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละ ความเปลินนอนคือนันที่ย่อมเกิดขึ้นเพราะความเปลืนนอนคือนันที่เกิดเราจึงกล่าวว่าทุกเกิดนะปุณณนะ Then the b l a z s e One replied, Well, then ปุณณนะ Listen and attend carefully to what I shall say. ปุณ น, นะ There are forms cognizable by the eye. That are wished for, d e s i r e agreeable, and likable, connected with sensual desire, and provocative of lust. If one delights in them, welcomes them, and remains holding to them, delight arises in him. With the arising of delight, puna, there is the arising of suffering. I say. ปะมีเสียงที่รู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกมีรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นมีผลธพะที่รู้ได้ด้วยกายมีธรรมลมที่รู้ได้ด้วยใจอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดย้อมใจ ถ้าบุคคลย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งธรรมารมณ์นั้นใสแก่บุคคลผู้เพลิดเพลินพร่ำบ่นสรรเสริญถึงสยบมัวเมาซึ่งธรรมารมณ์นั้นอยู่แล้วความเพลินคัอ น, น, นที่ย่อมเกิดเพราะความเพลินคือห น, นที่เกิดเราจึงกล่าวว่าทุกเกิดนะบุนนะ There are Bunna sounds c o g n i z a b l e by the ear. Odours c o g n i z a b l e by the nose. f l a v o r s c o g n i z a b l e by the tongue. Tangibles c o g n i z a b l e by the body. Mind objects c o g n i z a b l e by the mind that are wished for, desire, agreeable, and likable.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 อันจะเพียเห็นได้ด้วยตาเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดย้อมใจมีอยู่หากว่าบุคคลไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำบ่นพูดถึงไม่สยบโมเมาซึ่งรูปนั้นใสแกเจอผู้ไม่เพลิดเพลิน ไม่ปร่มัเสินไม่สยบโมเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละความเปลินคือ น, นั้นที่ย่อมดับเพราะนั้นที่คือความเพลินดับเราจึงกล่าวว่าทุกดับนะปุนนะปุนนะนนะ There are forms c o g n i s a b l e by the eye that are wished for, desire, agreeable, and l i k a b l e Connected with sensual desire and provocative of lust. If one does not delight in them, welcome them, and remain holding to them, delight ceases in him. With the cessation of delight, puna, there is the cessation of suffering. I say. Puna, มีเสียงที่รู้ได้ยหู มีกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกมีรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นมีโผดผะที่รู้ได้ด้วยกายมีธรรมารม์ที่รู้ได้ด้วยใจซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใกล่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดย่อมใจมีอยู่ Puna, there are sounds cognizable by the ear, those cognizable by the nose, flavors cognizable by the tongue, tangibles cognizable by the body, mind objects cognizable by the mind, t h a t are wish for, desire, agreeable, and likable, connected. with sensual desire and provocative of lust หากว่าบุคคลไม่เพลิดเพลินไม่ปร่ำบนพูดถึงไม่สยบมูมเมาซึ่งธรรมารมณ์นใจแกเตอร์ู้ไม่เพลิดเพลินไม่ปร่ำสรรเสริญไม่สยบมูมเมาซึ่งธรรมารมอยู่นั่นแหละนั่นที่คือความเพลินย่อมดับเพราะนั่นที่ดับเรากล่าวว่า ถูกดับนะบุญะ if one does not delight in them, welcome them, and remain holding to them, delight ceases in him. with the cessation of delight, บุญะ there is the cessation of suffering, I say. บุญะก็เธออันเรากล่าวสอนโดยโอวาทย่อยๆนี้แล้ว เคไปอยู่ในชนบทไหนเหล่า Now that I have given you the brief advice, b u d a in which country l o you dwell? ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อันพระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนด้วยโอวาทย่อๆนี้แล้วมีชนบทชื่อสุนาปันตะเป็นที่ที่ข้าพระองค์จะไปอยู่พระเจ้าค่า venerable sir now that the blessed one has given me this brief advice, I am going to dwell in the Sutaparanta country. และนั่นคือเนื้อหาสั้นๆย่อๆที่พระพุทธเจ้าได้มอบให้กับท่านพระพุณธนะแค่ว่าเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าเผื่อว่าเราเพลิดเพลินพร้อมสรรเสริญ บนพูดถึงสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆแมมไปกินอันนี้มามันแม่อร่อยเลยอ้าวพูดถึงมันอีกล้เออไปเที่ยวที่นั่นมาแหมดีจังเลยอ้าวพูดถึงมันอีกและการที่เราบนพูดถึงพร่ำสรรเสริญก็ตามหรือว่าพูดในทางที่ไม่ชอบใจมาเล่าให้คนนั้นฟังพูดให้คนนี้ฟังอันนี้คือลักษณะแสดว่ามีความเปลินเกิดขึ้นแต่ถ้าบุนคคลที่ยังมีความเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นต่างตาต่างหูในรูป ที่ผ่านมาต่างๆในเสียงที่ผ่านมาทางหูเนี่ยก็จะไม่สามารถพ้นไปจากความทุกข์ได้อันนี้คือสิ่งที่ได้กล่าวกับท่านประพุทนะแล้วการที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ก็จะต้องละความเพลินตรงนี้ได้และความเพลินที่ไหนก็ที่ตานี่แหละและความเพลินที่ไหนก็ที่รูปที่มันผ่านมาต่างๆนี่แหละตรงไหนละได้ละที่ใจเนี่ยตัณหาอยู่ที่ไหนตัณหาจะเกิดได้ที่ไหนละมันที่ตรงนั้น โอ้ตัณหาในตะวันฝังมันเกิดได้ทุกที่หูมันก็เกิดได้เสียงมันก็เกิดได้สัมผัสทางหูมันก็เกิดได้ฟังแล้วสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างมันก็เกิดมันก็เกิดตัณหาได้ที่ตรงนั้นอันนี้คือข้อความที่พระพุทธเจ้าหมายถึงในตะวันฝั่งในที่บอกแค่6อย่างเนี่ยจริงๆคูนก็อีกเป็นสิบสองอย่างทั้งข้างนอกและข้างในก็นอกเกิดหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสประภะธรรมารมข้างใน หมายถึงตาหูจมกูกลิ้นกายและใจกระทบกันแล้วเป็นภาษะบวกเข้าไปอีกหเป็นภาษาแล้วมีเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างคูณเข้าไปอีก3โอ้โหออกมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี่ยคือตําแหน่งคือจุดที่ตันหามันจะมารัดรึงจิตใจของบุคคลได้แล้วคนที่ถูกรัดรึงเนี่ยก็บางทีเบลอเ ล, อเลอมือนเมินมอไม่เห็นด้วยว่าไอ้ที่มันรัดที่มันเหนียวที่มันยืด ท, ที่มันดึงดูดอยู่เนี่ย มันตรงไหนแตามองไม่เห็นไม่ชัดเจนเพราะว่ามีอวิชามาบังอยู่ต่อเนี้พระเจ้าก็จึงอธิบายถึงทางที่จะออกมันแต่ทางที่จะออกจากสิ่งนี้อย่าเพลินในสิ่งนั้นการที่จะไม่เพลินได้ทัามวัฟังก็จะต้องมีสตินั่นเองการที่เราจะตั้งสติเอาไวา้เพื่อให้เราไม่เพลินไปตามตาตามหูต้องเหมือนกับว่าคอยระวังพระพุทเจ้าเคยเปรียบธรรวังเปรียบเรียวกับ การที่คอยระวังตาระวังหูเนี่ยก็คือเหมือนการที่เราคอยระวังประตูแต่ประตูทางเข้าทางออกไม่ว่าจะเป็นที่ตามโรงงานสถานที่ราชการหรือแม้แต่หมู่บ้านบางแห่งทางเข้าทางออกของหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมียามเฝ้าดูาเป็นยามบ้างเป็นตำรวจบ้างเฝ้าดูเฝ้าอยู่ในการที่จะดูคนเข้าคนออกว่าเออคนนี้ใช่คนในหมู่บ้านไหมใช่คนในบริษัทใช่คนในโรงงานไหมใช่คนในองค์กรนี้หรือไม่ แตนะ่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องตรวจดูก่อนนะมีบาดไม้มาทําอะไรแตนะ่ถ้าไม่ดูไม่ค่อยทีก็ไม่ให้เข้าาคนนี้รู้จักกันทํางานอยู่ที่นี่ เ, เขาได้แต่การที่จะคอยตรวจตราว่าไม่ให้คนที่ไม่ดีนะไม่ถูกต้องไม่รู้มาทําอะไร เ, เข้าไปเนี่ยเราก็ให้เฉพาะคนที่ดีๆที่มาทําประโยช น, เนย์เข้าไปได้เนี่ยหน้าที่ตรงนี้ก็คือเรื่องของสตินั่นเอง สติเนีปรียบเเป็นปนายทวารใ น, นที่จะคอยป้องกันไม่ให้จิตของเรานน้นเผลอเพลินไปจิตที่จะเผลอเพลินไปนั้น น, นไปตามภาษาที่จะมากระทบได้ก็เพราะว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเล่นวิ่งพุ่งเข้าไปสู่จิตหรืออินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมีจิตเป็นที่เล่นไปสู่นะไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนละ่ะคุณจะอยู่ประเทศไหนละ่ะเราจะรับรู้ถึงสิ่งภายนอกคุณจะกินอะไรก็ตามเถอะ มันต้องผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วเข้าไปถึงใจแต่คือบางทีถ้าเราเอาใจไปใส่กับเรื่องอื่นแต่แม้แต่พูดอย่างนี้บางทีบางคนเสียงเข้าหูไหมเข้าอยู่แต่บางทีเราไม่ได้ยินเช่นบางทีแม่เรียกหรือว่าเราเปิดแอร์อยู่งี้เอ๊เราไม่ได้ใส่ใจไปในเสียงแอร์ได้ยินแต่เสียงวิทยุโอ้บางทีแอร์หรือว่าเสียงพดลมหรือเสียงสิ่งภายนอกเราไม่ได้รับรู้รับทราบแต่ไม่ใช่ว่าเสียงนั้นมันไม่มนนากระทบแต่เป็นเพราะว่าจิตของเราไม่ได้เข้าไปรับรู้เราจึงไม่ได้ยินมัน เรื่งเรื่องของการที่อินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะเล่นไปสู่จิตเนี่ยจะเป็นความเข้าใจที่สําคัญในบุวังเป็นความเข้าใจที่สําคัญจิตจะทําให้เกิดความยึดถือเพลิดเพลินลุ่มหลงไปหรือว่าจิตจะทําให้เกิดความปล่อยออกสละออกและทิ้งละวางเย็นได้ก็ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเนี่ยตรงที่เราจะต้องมาคอยดูแลจิตของเราให้ดีแต่ซึ่งการที่เราจะดูแลจิตให้ดีได้อะไรละ่ะเป็นที่จะเป็นเรื่องรักษาจิต ในสิ่งได้เคยตรัสไว้ในพระสูตรหลายๆที่ล่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะอธิบายให้ฟังนะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้ให้มีความเฉลิมฉลองก็ได้พูดถึงเรื่องของสตินั่นเองสติเป็นนายทวารสติเป็นที่เริงที่จะรักษาจิตจิตเนี่ยแหละมีสติเป็นที่เล่นไปสู่จิตถ้าไม่มีสติเป็นที่แล่นไปสู่แล้วมันก็จะเปลือเปลินทะลุออกไปถูกดึงลากถูรูดถูกกังไปตามภาษาที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจพระพุเจ้าเคยตรัสไวงี้แต่ระวังเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับบ้าน มีหมู่บ้านร้างหมู่บ้านหนึ่งแต่ก็จะมีโจรที่คอยฆ่าชาวบ้านเนี่ยเข้ามาที่หมู่บ้านร้างนี้เสมอเปรียบเทียบเอาไว้กับตาของเราเนี่แหละย่อมเดือดร้อนเพราะภาษาที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างในภาษานี้ที่นี้หมายถึงรูปที่มาทางตาหูก็เดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างจมูกนี่ก็เดือดร้อนเพราะกลิ่นที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเอตโมฝั่งอาจจะงงว่า แล้วถ้าน่าพอใจมันจะไปเดือดร้อนตรงไหนหน่าจะเย็นใจสบายใจใช่ไหความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการที่เราเจอภาษาที่น่าชอบใจฟัง อ, อ, อีกครั้งหนึ่งนะเจอภาษาที่น่าชอบใจคิดว่านี่จะเป็นความสุขความน่ายินดีน่าพอใจที่เกิดจากสิ่งที่เป็นสุขแต่ว่าเดือดร้อนนะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะถ้าเผื่อว่าเรายินดีในสิ่งที่เป็นสุนนคณจะเดือดร้อนตรงที่ว่าคุณเบลไปแล้ว ความเพลินถ้าเกิดขึ้นจากการที่เรายินดีในสิ่งที่เป็นสุขที่มากระทบนั้นตรงนั้นแหละเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะมีความเพลินเกิดขึ้นเดือดร้อนเพราะเราเพลินในสิ่งที่เป็นสุขแต่คือไม่ใช่ตัวสุขเวทนาหรอกที่จะทําให้เราเดือดร้อนแต่ความเพลินในสุขเวทนานั้นต่างหากที่จะทําให้เราเดือดร้อนความทุกขเวทนานี้ไม่ต้องพูดถึงแน่นอนมันมาปุ๊บมันกระชีดเลยแต่เราก็เพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์ดเหมือนกันเราก็เดือดร้อนเพราะเราความเพลินในทุกขเวทนานี้อีกเหมือนกัน เพลินในทั้งสิ่งที่เป็นสุขก็ได้เพลินในทั้งสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ได้เอาทำไมเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์ได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ที่มากระทบเนี่ยมันทําให้เกิดตัณหาขึ้นความอยากที่จะไม่ได้มันถ้าเรามีความอยากที่จะไม่ได้นั่นแหละความเพลินถ้าเรามีความอยากที่จะได้นั่นแหละความเพลินเพราะมันรากมาจากอันเดียวกันนั่นคือตัณหาตัณหาเนี่ยมีทั้งที่เป็นตัณหาในเรื่องของกามตาหูจมูกลิ้นกาย ตนะในความที่อยากมีอยากเป็นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยาให้เป็นอย่างนี้ตนะคือความที่อยากไม่ให้มีอยากไม่ให้เป็นก็คือไม่อยากมีไม่อยากเป็นน่ะกล่าวว่าวิภาวะตันหาส่วนที่เป็นภาวะตันหาจะเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นทีน่ชอบใจได้ทั้งภาวะตันหาทั้งกรรมตันหาสิ่งที่เป็นวิภาวะตันหาอันนี้จะเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ชอบใจได้สิ่งที่ถ้าเราไม่ชอบใจเราก็อยากให้มันไม่มีในความอยากที่มันไม่มีก็คือไม่อยากมีนั่นลหะ เราไม่อยากมีสิ่งใดไม่อยากได้สิ่งใดนั่นคือความอยากคือวิปปาวัตหาถ้ามีความอยากความเพลินอยู่ตรงนั้นถ้ามีความเพลินอยู่ตรงนั้นความอยากอยู่ตรงนั้นไอ้สิ่งนั้นแหละทําให้เราทุกข์จะมีปัญหาขึ้นทันทีในสุขทุกข์มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราเอามาใส่ห <öz verified questionnaire> ัวเราให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะตัณหาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าความเพลินนี่แหละ เพลินทั้งในสิ่งที่สุขเพลินทั้งในสิ่งที่ถูกเกิดขึ้นได้ปรตนาเนั่นเองนี้เป็นโอวาทที่พระพุทธเจ้าได้มอบให้กับท่านพระปุณณนะให้ทําความเข้าใจสั้นๆตรงนี้แ ล, แล้วก็ถามท่านพระปุณณะว่าเอาได้ข้อมูลนี่แล้วจะไปลเล่นอยู่ที่ไหนท่านพระปุณณนะเนื่องจากว่าท่านเป็นคนพื้นเพอ ย, อยู่ที่เมืองสุนาปรันตะก็จึงจะกลับไปที่บ้านเดิมของตัเองที่เมืองสุนาปรันตะนัะ่คือเดิมท่านพระปุณณะเนี่ยเป็นพ่อค้า ที่เดินทางมาค้าขายจากเมืองสุนามบรันตะมาที่หนึ่งเมืองสาวัตถีเห็นพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมมีศรัทธาและจึงออกบวชออกบวชได้สักระยะนึงแล้วในยังไม่ได้มีความก้าวหน้าเท่าไหร่ก็จึงเข้าไปถามพระพุทธเจ้าถึงโอวาทสั้นๆย่อๆตรงนี้พอทราบข้อมูลข้อความที่สําคัญเรียบร้อยแล้วก็จะหลีกออกเล่ละแต่ก็จึงคิดว่าตัวเองจะเดินทางไปที่บ้านเกิดของตัวเองตอนที่มีข้อมูลที่ดีๆ เพิ่มเติมเังอฟังเกี่ยวกับเรื่องของหลังจากที่ท่านเดินทางออกจากเมืองสาวถีแล้วไปที่บ้านเกิดของตัวเองที่เมืองสุนานบรรันตะพระพุทธเจ้าได้เตือนเอาไว้ังเตือนเอาไว้พระพุเจ้าเตือนไว้อย่างไรเรามาฟังกันต่อพรุ่งนี้เพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ต้องวิเคราะห์ให้ท่านผู้ฟังฟังว่าท่านพระพุทธเจ้านหลังจากที่ได้รับข้อมูลข้อความนี้แล้วจะเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองได้รับการเตือนจากพระพุทธเจ้า ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางไปในครั้งนี้แล้วท่านแก้ปัญหาอย่างไรเราจะมาคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ท่านฟังและถ้าสำหรับเนื้อหาในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องข้อความที่สําคัญสําคัญที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับท่านพระปุณณะท่านมาฟังยังมีคําถามในส่วนตรงนี้หรือว่าข้อที่ต้องการทําความเข้าใจให้เกิดมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติมสามารถไปที่เว็บไซต์เ Pi ียวธรรมมา .com ได้ puredhaama. com วันท่ า, า, า, านาพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุนโนโก็ขอลาไปก่อนเชิญ่อน